เรื่องพระอุปัชาสองเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งบอกภิกษุอีกรูปหนึ่งว่าพวกภิกษุสัทธิวิหาริกของพระอุปชาของเราล้วนเป็นพระอรหันต์ท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปาราชิกหรือ n อจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ ร, ระองค์ตรัสถามว่าภิกษุเธอคิดอย่างไร พระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะกล่าวอวดพระพุทธเจ้าข้าภิกษุเธอไม่ต้องอบัตปาราชิกแต่ต้องอบัตทุลจัยวงเล็บเรื่องที่สสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งบอกภิกษุอีกรูปหนึ่งว่าพวกภิกษุอันเตวาสิก ข, ของพระอุปัชฌาย์ของพวกเราล้วนมีฤทธานุภาพมากท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตปาราชิกหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบปร่งตรัสถามว่าภิกษุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะกล่าวอวดพระพุทธเจ้าข้าภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติปาราชิกแต่ต้องอาบัติทุนและใจวงเล็บเรื่องที่ห้า